วันเข้าพรรษานะเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้นะนับหนึ่งที่วันนี้นะปกตนะิวันเข้าพรรษาหรือว่าเทศกาลเข้าพรรษานะถ้าเป็นญาติโยมก็นะอยากจะทำบุญนะโดยการถวายเทียนพรรษาบ้างถวายภาพน้ำฝนบ้างนะอย่างเมื่อวานแต่ี่จริงวันนี้เนะี่ยยังมี พิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่พระซึ่งญาติโยมอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเคยเห็นนะในหมู่พระนี่ก็จะมีการอธิษฐานพรรษาอธิษฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าขอนะคนไทยเนี่ยพอพูดถึงอธิษฐานเนี่ยเราก็จะนึกถึงการขอเช่นขอให้หายป่วยขอให้สอบได้ขอให้ประสบโชคขอให มั่งมีสีสุขนะอันนี้เป็นอธิษฐานแบบไทยอธิษฐานเนี่ยภาษาบาลีเนะี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำความดีนะแล้วก็ความดีที่ทำนี่ก็ไม่ต้องมากนะแค่อย่างเดียวความหมายมันตรงข้ามกันเลยนะระหว่างอธิษฐานบาลีกับอธิษฐานภาษาไทย อธิษฐานภาษาไทยนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะก็แค่พนมมือจุดธูปเทียนส่วนอธิษฐานภาษาบาลีนี่มันหมายถึงการลงแรงบางอย่างแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพื่อจะให้สําเร็จผลแต่าสายความตั้งใจาสายความเพียรของตนอย่างวันนี้เนี่ยพระจะอธิษฐานภาษาก็คืออ่า ก็จะตั้งใจนะแสดงหรือประกาศความตั้งใจว่าจะจําพรรษาหรือว่าอยู่ในอาวาสแห่งนี้เนี่ยนะครบสามเดือนนะการที่คนเราเนี่ยจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรืออยู่ร่วมกับผู้คนนะมากหน้าหลายตา ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะพออยู่ไปได้นะไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตก็าจะารู้สึกเบื่อนะอยากจะไปะเปลี่ยนที่หาของใหม่อันนี้ธรรมชาติงคนเราชอบของใหม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะนานๆนนก็เบื่อง่ายนะก็อาจจะอยากจะไปหาของใหม่ หรือบางทีเจอความไม่สะดวกความไม่สบายจริงความสะดวกความสบายในด้านอื่นอาจจะมีเยอะแต่อาจจะคับค้องใจหรือขัดใจในบางเรื่องบางแง่ก็หาเหตุให้ย้ายที่อันนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่สำหรับคนเราในการฝึก ให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจเข้ากับสถานที่โดยเพราะต้องอยู่กับผู้คนมากมายนิสัยต่างกันก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างที่กระทบกระทั่งกันบ้างขัดใจกันบ้างถ้าไมอธิษฐานเนี่ยก็จะหายเหตุให้ย้ายาไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วนีนะ่มันช่วยทำให้เราเนี่ยตั้งใจนะ ที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ซึ่งก็จะไปสู่การปรับตัวปรับใจสมัยตอนที่อาตมายังบวชใหม่ๆเนี่ยตั้งใจว่าจ ะ, ะ, จะเจริญสตนะิกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในก็รู้สึกว่ามันจะต้องปลุกปรั่งกับตัวเองมากเพราะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็มักจะหาเหตุหาข้ออ้างให้ยุติ นะหรือเลิกการปฏิบัติไปตัวเองเนี่เป็นคนหาเหตุหรือหาข้ออ้างเก่งนะก็เมื่อคนจานวนมากเนี่ยที่คิดเก่งมันก็จะมีข้ออ้างมากมายที่ทาใ ห, ให้ฝืนหรือทวนกิเลสได้ยากเพราะฉะนั้นตอนที่ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนนะที่วัดสนามในหนึ่งเดือนไม่ทันหนึ่งหนึ่งเดือนจากหลังจากการบวชเนี่ย ก็ทิศทานไว้นะสองอย่างว่าจะอยู่ปฏิบัติที่วัสนามในเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะถ้าไม่ครบหนึ่งเดือนก็จะไม่ย้ายไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและสองตั้งใจว่าเนี่ยในการปฏิบัติหรือตลอดเวลาที่อยู่วัสนามในเนี่ยก็จะไม่นอนกลางวันนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่นอนกลางวัน ซึ่งก็พบว่าคมอธิษฐานแค่สองข้อนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเพราะเหตุว่าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะสองสามอาทิตย์นี้มันเครียดมากนะมีความทุกข์มากปวดไหล่ปวดขาปวดหัวเพราะปฏิบัติผิดวิธีนะคิดจะนะออกจากวัดสนามในนะไปปฏิบัติที่อื่นนะตอนนั้นก็นึกถึงสวนโมกแต่เนื่องจากไม่ครบอาทิตย์นะ ก็เลยต้องอยู่ให้นองจกให้ครบเดือนก็เลยต้องอยู่ให้ครบเดือนแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดความเปลี่ยนแปล ง, เ, ปลปลงเกิดพัฒนาการขึ้นในช่วงอาทิตย์สุดท้ายซึ่งก็ส่งผลทำให้ตัดสินใจบวชต่อหลังจากครบสามเดือนแล้วก็บวชต่อเป็นหนึ่งปีแล้วจากหนึ่งปีก็เป็นสองปีแล้วก็จากสองปีก็เป็นสิบปีแล้วก็จนมาถึงวันนี้ อันนี้ก็เป็นพรออนิสงการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการอธิษฐานเนี่ยนะมันมีความสำคัญมากมีอนิสงส์หลายประการเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะอ่าก็เป็นธรรมเนียมนะแล้วก็เป็นไปตามพระวินัยด้วยว่าพระเนี่ยจะต้องอยู่อ่าให้อยู่ในอววาดใดอววาดหนึ่งหรืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยให้ครบสามเดือน ตลอดรู้ดูฝนแต่ว่าลำพังเนี่ยวินยยัยยงเดียวไม่พอนะก็ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เช้านี้เนี่ยพระทั้งวัดนะ่ที่ตั้งใจจะทำพรรษาก็จะมีการกล่าวคำอธิษฐานนะต่อหมู่สงฆ์นะซึ่งญาติโยมก็จะได้รับรู้ด้วยว่าตนเองเนี่ย ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยให้ครบสามเดือนหากมีเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องไปค้างแรงที่ทอื่นนะก็ไปได้นะไม่เกินเจ็ดคืนคือสัตตาหะกรณียะเสร็จธุระแล้วนะหรือว่าเมื่อครบเนจะ็ดคืนแล้วก็ต้องกลับมาไปเมื่องงก็จะขาบพรรษา แล้วก็จะทำให้สูญเสียความตั้งใจพระหลายรูปเนี่เป็นภาพที่บวชใหม่นะการที่จะมาอยู่ในวัดแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แ, แค่การตื่นการนอนของที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงกับนิสยัยความเคยชินเดิมๆพออยู่ไปเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะก็จะมีความทุกข์แล้วก็ อาจจะหาเหตุบางคนนี่ตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบพรรษานะหรือบางคนตั้งใจว่าจะอยู่ให้แค่ครบเดือนนะถึงแม้จะไม่อธิษฐานพรรษาแต่พอต้องมาอยู่กับตัวเองโทรทัศท์ก็ไม่มีดูนะไม่มีโอกาสจะคุกคีกับใครก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบือ่อนะบางท่านก็หาเหตุนะว่าเนี่ยแม่ไม่สบายนะนะแต่ต้องรีบนะ กลับไปบ้านไปดูแลแม่ไปให้กำลังใจโยมแม่ไอ้ตอนที่เป็นคาราวันนี่ก็ไม่เคยสนใจแม่เลยนะไม่ค่อยมีเวลาให้กับท่านเยแต่ตอนอพอมาบวชแล้วนี่เกิดความกระตันอยู่ฉับพลันนะแบบนี้ก็มีนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้มั่นคงนะในคำอธิษฐานางนั้นการอธิษฐานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งนะบา ร, รมีในที่นี้หมายถึงความดีอย่างยิ่งยวดที่ทำให้ปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้นะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ต้องบาเพ็ญพศบารมีนะอธิษฐานนี่เป็นบา ร, รมีหนึ่งใน10นะแต่ถึงแม้เราจะเป็นปุถุชนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะก็ก็ควรจะาบาเพ็ญบา ร, รมีทั้ง10 ให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้ถ้านะสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นพระนะอาจจะเป็นแม่ชีหรือเป็นนักปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาข้อพรรศา่นี่ก็เป็นโอกาสดีนะที่จะได้บำเพ็ญบารมีข้อนี้ซึ่งมันก็จะเกิดผลงอกเงยหรือสมทบนะในส่วนอื่นด้วยอาจจะทำให้บารมีข้ออื่นเนี่ย งอกงามด้วยเช่นสัจบรรมีหรือว่าเนค ธ, ธ ร, รรมบารมีนะขึ้นอยู่ว่าเราอธิษฐานอะไรนะถึงแม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องอธิษฐานพรรษาว่าจะอยู่ครบสามเดือนอันนี้ยกเว้นญาติโยมบางท่านนะที่ตั้งใจว่าจะมาจาพรรษาร่วมกับพระนะก็ควรจะอธิษฐานนะอาจจะอธิษฐานในใจใเนะรืออธิษฐานกล่าวเป็น เปล่งวาจาออกมาหน้าพระพุทธรูปที่นี่หรือที่อื่นก็ได้แต่ถึงแม้จะไม่จําพรรษาที่นี่นะก็ควรจะใช้โอกาสเข้าพรรษาเนี่ยนะอธิษฐานในบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเป็นจุดอ่อนของเรานะหรือว่ามันเป็นสิ่ ง, งที่ช่วยให้เราเนี่ยนะได้มีจิตใจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างตามธรรมเนียมเนี่ย นะชาวบ้านเนี่ยพอถึงข้าบรนสาก็อย่างน้อยๆก็อธิษฐานในใจว่าเนี่ยจะรักษาศีลให้ครบหรือว่าบางท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากก็จะบอกว่าจะอธิษฐานอธิษฐานว่าจะถืออุบสถศีล น, นะถือศีลแปดในวันพระนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงวันพระแล้วก็จะมาจำศีลถือศีลที่วัดนะศีลแปดแต่สละคนสมัยใหม่เนี่ยนะ หรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาในพระศาสนามากเนี่ยการถือศีลแปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะต้องแดข้อเชียวแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพียงแค่ข้อสองข้อก็ได้แล้วก็ไม่ยังเป็นต้องเป็นศีลแปตามประเพณีก็ได้บางคนอาจจะเลือกข้อเดียวคือนะการงดเว้น นะการกินเหล้านะในพรรษานี้ก็จะงดเหล้านะบางคนก็อาจจะเห็นว่าจุดอ่อนตัวเองเป็นคนติด ก, กาแฟนะก็จะงดกาแฟตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ได้นะคือมันไม่เป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่ขอให้เป็นรูปธรรมก็แล้วกันไม่ใช่บอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดในพรรษานี้ไอ้แบบนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยนะ อธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นถ้าพระก็ขอทิษฐานนะว่าจะอยู่ในอาวาสแห่งนี้ครบสามเดือนเราก็ลองพิจารณาดูนะพระก็ก็ดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดนะีนอกจากการิษฐานภรษาอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยก็ลองสำรวจตัวเองเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะเรามีอ่า ข้อบอกพร่องตนไหนโดยเพราะการเสพการบริโภคนะที่มันสร้างปัญหากับเราไม่ใช่แค่อายมุกนะเช่นเล่าบุรีนะซึ่งมันเป็นอายมุกสมัยเก่านะอายมุกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะนะเช่นติดเกมออนไลน์เนี่ยหรือบางคนก็ติดหนังติดละคร น, นะประเภทซีรีส์เกาหลีเนี่ย นิพพานก็อยากได้นะแต่ว่าติดนะซีรีเกาหลีเงี้ยนะจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีงานการก็ก็ไม่ได้ทำนะเพราะดูกันทั้งคืนนะก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะนะอธิษฐานเท่าไ่าเนี่ยเราจ ะ, ะ, ล, ะ, ะลดเราจะดูให้น้อยลงนะหรือว่าถ้าเลิกได้นะในพรรษานี้ก็ยิ่งดี บางคนนะอาจจะติดดูหนังชอบดูหนังนะโดยเพราะสมัยนี้นี่มันมีหนังให้ดูทางออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็หนังแต่และเรื่องก็สนุกสนุกน่าติดตามนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมาเป็นซีรีส์เลยนะมันมาเป็นสิบตอนจบนะหรือบางทียี่สิบตอนจบนะถ้าสามกกนี่อาจจะห้าสิบตอนจบก็ดูกันทั้งคืน อย่างนี้ก็เป็นโทษนะก็ลองนะใช้ช่วงข้ารันานี่แหละอธิษฐานว่านะเราจะลดการดูหรือว่าเลิกไปเลยนะทั้งสามเดือนนี้อีกอันหนึ่งที่คนติด ก, กันมากนะก็คือนะพวกโซเชียลมีเดียนี่แหละไลน์เฟซบุ o กเนี่ยใช้เวลากันวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงทีเดียวจนกระทั่งไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอน เวลาที่จะให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวก็หมดนะอ้างว่าไม่มีเวลาก็พอไปทุ่มเวลากับเรื่องนี้ก็อาจจะอธิษฐานว่าในภรรษานี้เราจะลดนะเราจะให้เวลาเราจะใช้เวลาสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียนะเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเียนะหรือว่าอาทิตย์ลอ่าห้าชั่วโมงนะ หรือถ้าบางคนอาจจะเลิกไปเลยนะพักไปเลยก็ดีก็ได้นะลองดูนะว่าเราติดอะไรนะที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความหนัก อ, อกหนักใจหรือสร้างทุกขให้กับเราบางคนชอบช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งนี่ทุกกาทิตย์เลยนะก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยเราจะไปเที่ยวห้างเดือนละครั้งนะหรือว่าเลิกไปเลยนะในพรรษาก็ได้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 อธิษฐานว่าเราจะตื่นเช้านะตีห้านะทุกวันเลยนะ้วก็จะไม่นอนดึกน ะ, ะสี่ทุ่มก็ถือว่าได้เวลานอนแล้วหรือบางคนเนี่ยนะสุขภาพไม่ดีก็ควรอธิษฐานนะว่าเราจะออกกำลังกายทุกวันทุกเช้าหรือว่าทุกเย็นก็แล้วแต่เช่นวิ่งจอกกิง้งแลาต้องถ่ายเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมหมายความว่าหนึ่งจะทำอะไร สองมีกำหนดชัดเจนเช่นถ้าสมาธิก็อย่างน้อยนะวันละห้านาทีสิบนาทีถ้าออกกําลังกายนะก็วันละสิบนาทีบางคนเป็นคนที่ชอบติดในรสชาติอาหารก็อาจจะอธิษฐานว่าจะงดกินเนื้อหรือว่าจะกินเจกินมังสวิรัตนะตลอดพรรษาเพราะว่า อาหารเจอาหารบางสเวลาส น, นี้มันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับอาหารเนื้อนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยลดกิเลสทำให้ไม่ติดในรสชาติอาหารแล้วก็มีส่ว น, นช่วยในการลดการฆ่าสัตว์แม้เพียงน้อยนิด ก, ก็ตามอธิษฐานเนี่ยไม่ต้องทำให้มันใหญ่ให้มากนะเริ่มต้นจากเล็กนะเริ่มต้นจากน้อยดีกว่า เริ่มต้นจากเล็กและน้อยและทำได้ทุกวันดีกว่าตั้งใจว่าจะทําเยอะๆแล้วก็ทําไม่ได้เช่นตั้งใจหรืออธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงสําหรับมือใหม่เนี่ยถ้าท้าทิษฐานแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวนะเพราะว่าอย่างมากก็ทําไปได้แค่อาทิตย์นหนึ่งแล้วก็เลิกเพราะว่ามันทําไม่ได้แต่ถ้าเริ่มต้นจากวันละหนาทีเนี่ยและทําได้ทุกวันนะมันจะเกิดอันนี้สงมาก อย่าดูถูกนะแม้แม่สิ่งเล็กแม้ความดีเพียงเล็กน้อยถ้าทําทุกวันทุกวันนี้มันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตรเราได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่หลวงปู่ดูเนี่ยพรหมปัญโยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็มีสิทธนะ์มากราบท่านสิทธิ์ผู้นี้เนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนนี่เป็นคนติดเหล้านะพอสิทธิ์กราบแล้วกราบหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยนะ แล้วก็สนทนากันสักพักก็ถือโอกาศชวนเพื่อนเนะ่ยซึ่งติดเหล้านะว่าให้มาสมาทานศีลห้าแล้วก็ทำสมาธิภาวนานะเพื่อนก็ปฏิเสธตอนหน้าหลวงปู่เลยนะบอกว่าจะถือศีลได้ยังไรนะจะปฏิบัติได้ยังไรทุกวันนี้ยังกินเหล้าอยู่เลยไม่ยอมหลวงปู่ดูท่านได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาว่า เองจะกินแล้วก็กินไปสิข้าไม่ว่านะแต่ขอให้เองเนี่ยนะนั่งสมาธิวันละห้านาทีก็อพ อ, อชายผู้นั้นเนี่ยพอได้ยินคำว่าห้านาทีเนี่ยเขาคิดว่าไม่ยากอะไรนะกินเล่าก็ยังกินได้อยู่นะเพียงแค่นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นนะเพิ่มการนั่งสมาธิวันละห้านาทีมันจะยากอะไรก็เลยรับปากหลวงพ่อ รับปากหลวงปู่แล้วแกก็เป็นคนที่จริงนะรับปากใครก็ก็ทําตามนั้นทุกวันเนี่ยนะก่อนจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยแกก็จะนั่งสมาธิห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้าแต่พอนั่งไปนั่งไปบางวันเนี่ยขณะที่กําลังนั่งอยู่เพื่อมาชวนไปกินเหล้าก็บอกเพื่อว่ายัางไม่ไปนะนั่งสมาธิก่อนแล้วพอนั่งไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะ ก็พบกับความสงบจากการนั่งสมาธิก็เลยนั่งยาวขึ้นนะจากห้านาทีเป็นสิบนาทีจากสิบนาทีก็เป็นสิบห้านาทีจากเดิมเนี่ยพอนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้านะแต่คราวนี้ก็เริ่มกินเหล้าน้อยลงแล้วเพราะว่าอยากให้เวลาการนั่งสมาธิมากขึ้นและต้นหลังความสงบที่เกิดจากสมาธิก็ทำให้ความอยากเหล้าเนี่ยมันหายไป ก็กลายเป็นว่าเลิกเหล้าได้นะเพราะว่าการนั่งสมาธิและที่นั่งสมาธิได้นานได้ต่อเ น, นื่องก็เพราะรับปากนะหลวงปู่เอาไวนะ้เริ่มต้นจากวันละห้านาทีตอนรองชายคนนี้ก็มาบวชพระนะจากคนที่ติดเหล้าเนี่ยกลายเป็นพระนะทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะการนั่งสมาธิวันละห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคมั่นสานี่เนี่ยเราควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะทำความดี แม้เพียงเล็กน้อยสวดมนต์วนันละห้านาทีและทาทุกวันก็ดีกว่าตั้งใจจะสวดมาวันละชั่วโมงแล้วก็ทำไม่ได้เลยหรือบางคนอาจจะใช้โอกาสช่วงข้าบันษารนี่และนะอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสืออย่างอื่นไปเยอะเยอะแล้วนะดูโซเชียลมีเดียไปไล่สาระก็มากแล้วต่อไปนี้ทุกวันก่อนนอนจอานหนังสือธรรมะนะวันละหน้าสองหน้าก็ยังดี สมัยที่อาตมายังไม่ได้เป็นพระเนี่ยเป็นโยมเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ตั้งใจจะอ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยอ่านจบสักทีก็คือพุทธธรรมนะพุทธธรรมของเสด็จพระพุท ธ, ทธโคสาจา ร, รย์องค์ปัจจุบันเนี่ยหนาต้องพันหน้างานก็เยอะนะแต่สุดท้ายในช่วงคำภาษาก็ตั้งใจว่าจะอ่านวัละสิบหน้าไม่ว่าจะไปไหนนี่ก็ต้องกลับมาก็ต้องอ่านให้ได้สิบหน้าบอกกันว่า พอครบภรรษาก็อ่านจบแล้วก็ทำให้ได้ความรู้นะในเรื่องพระพุทธศาสนานซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติในเวลาต่อมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลเขา้าบรรษานะก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีอุบา ส, บาสิ ก, กาลองนึกสักอย่างว่าเราจะอยากจะทาอะไรหรือตั้งใจจะทาอะไร ให้ได้ให้ดีนะในพรรษานี้ตลอดสามเดือน